Book 2สี่ที่โรงเรียนเยจัอเยจัอเราอยู่ที่ไหนดิดิเราอยู่ที่โรงเรียน เธอยีจับเมติชิเธอยีจับเมติชิเรากำลังเรียนหนังสือเธอ อ, อุอรอกขรจีเอเธอุรอกรีเอ็นั่นคือนักเรียนเมขรเจลอเรเลจักอุกนั่นคือคุณครู มรฉจมรฉจนั่นคือชั้นเรียนมรนนนคลาสมรคลาสเรากำลังทำอะไรอยู่เดตร์สเดตรเรากำลังเรียนหนังสือ เเรากำลังเรียนภาษาทบซึรเซตาาชเอเทอดิฉันเรียนภาษาอังกฤษิงจิบซึรเซสาาชเอเ คุณเรียนภาษาสเปนวอิสปาน ส, ส์เซอร์เวากาสเอิสปานเซอร์เวกาเขาเรียนภาษาเยอรมั น, อ, นมอัชนัมทซบเซอร์เรกาอนัมซ์บเซอร์เซเรกาสอเราเรียนภาษาฝรั่งเศส เธรัจะตั้งัพวกคุณทุกคนเรียนภาษาอิตาเลียนออนอันบซาร์จะเชือ่อก้าวพวกเขาเอียนภาษารัสเซีย จรักษาอาคมหรืสืบสันจะรักษาการเรียนภาษานั้นน่าสนใจเบื่อขึ้นเบื่อประชานุเบื่อขึ้นเบื่อประชานเราต้องการที่จะเข้าใจคนอื่นๆเทศึกษากดกรอหน้าวเทฝ่า เธอกรุ๊งโาฟเราอยากจะพูดกับคนอื่ น, อ, นอื่อดั้ใช้นอฟเธอังต่ดักรช้อนฟ